เรื่องทรงห้ามฉันเนื้อหมีสมัยนั้นพวกในพรานฆ่าหมีแล้วกลิ่นได้ถวายแก่ภิกษุทั้งหลายผู้เที่ยวบินทบาทภิกษุทั้งหลายฉันเนื้อหมีแล้วอยู่ในป่าหมีไล่ตะครุบภิกษุเพราะได้กลิ่นเนื้อหมีภิกษุทั้งหลายนำเรื่องนี้ไปกราบทูลพระผู้มีพระภาคให้ทรงทราบ